เเต่ เ, เตมบนคู่สนคู่สนเพี่คุณค่าคุณค่าของชีวิตเอาเ้าเกิดมากนี่ชีวิตหายใจเข้าหายใจออกได้ยนี่ยมันปิดนี่ถือว่าไม่คุณค่าชีวิตนีไม่คุณค่ากามาเติมมาเพิ่ม คุณค่าของชีวิตด้วยการสร้างสร้างตนนด้วยการสร้างตนสร้างตนสร้างกายสร้างวาจาสร้างใจเพราะคำว่าตนม่รวมไปด้วยกันกายกับใจยังพูดได้ ตายเขามาสร้างสร้างทำไมสร้างให้มันดีสร้างกายให้ดีสร้างวาจารให้ดีสร้างจิตใจให้ดีสร้างกายให้ดีด้วยการบำรุงรักษาเปลี่ยนอิียาบทหรือไม่นำสิ่งที่ เป็นโทษเขามาทำโทษกับร่างกายของเราวาจาเขาสร้างให้มันดีๆพูดวาจาที่ดีๆวาจาที่ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรนี่เดี๋ยว่าสร้างวาจาเพราะมันเป็นสิ่งที่สร้างได้แล้ว เ, เกิดมาทีแรกก็ยังพูดเม่เป็น ก็ยังมาหัดพูดฝึกพูดจากพ่อจากแม่สอนนั่นคือการสร้างวาจาทนี้มาสร้างใจสร้างใจให้มีคุณค่าด้วยการเจริญเมตตาภาวนาวการฟังเสียงอัดเสียงธ ร, รมเสียงที่แนะนำ เหตุและผลเพื่อให้ความรู้คือใจได้พิณิพิจารณาก็เข้าใจความจริงตามเหตุผลมันนั่นก็จะเป็นผู้ทาจิตใจให้มีความรู้ความเห็นที่ตรงชอบตามเหตุผลแห่งสัจธรรมนี่เรียกว่าสร้างใจ สร้างใจให้มีความเห็นชอบธรรมดามันมีอยู่ความเห็นแต่มันเห็นไม่ชอบเพราะนจึงต้องมาสร้างด้วยการฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะเสียงอัดเสียงธรรมนี่คือการสร้างใจให้มีสติปัญญาอันดีให้มีสติชอบมีปัญญาชอบสร้างกายให้ชอบสร้างวาจาให้ชอบ เมื่อกายวาจาใจมันชอบด้วยความเป็นธรรมแล้ก็ยังความสุขเพิ่มขึ้นไปเข้าสู่จิตสู่ใจยิ่งขึ้นไปนี่ ว, ว่าให้คุณค่าต่อชีวิตหรือเพิ่มเติมคุณค่าในขณะที่เรามีชีวิตความสืบต่ออยู่ระหว่างกายกับกับจิตอาศัยกันอยู่ได้ อันนี้แหละเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าที่สำคัญอย่างยิ่ง <c oughs> ชีวิตสืดต่อกันอยู่ด้วยความสุขความสุขความสุขทาง จ, จิตใจความสุขทางกายความสุขทางกายมันก็มีความสุขตามอัตภาพเพราะเรามีปัญญาเรามีสติรู้จักการ สร้างกายดูจาัด ก, การบำรุงกายให้พอเหมาะพอควรในการเปลี่ยนแปลงอิทธิบทตรในการดื่มการกินสิ่งที่บำรุงร่างกายถ้าไม่มีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลอะไรก็กินเข้าไปเรื่อยกินเข้าไปเรื่อยไม่มีธรรมะ มันก็จะเกิดโทษเพราะว่าธรรมชาติของร่างกายของเรานี่มันเปรียบเหมือนกันกับวัตถุสิ่งของหรือเปรียบเหมือนกันกับรถที่เขาปฏิปฎดอยขึ้นมาสําหรับให้เรามาใช้ขับขี่กันทุกวันน <c oughs> เขาก็เอามาจากลักษณะของร่างกายนั่นแหละมาสร้างเครื่องกลเครื่องยนต์ ที่ให้เป็นเครื่องอาศัยขับขี่คือเครื่องกลเครื่องยนต์น่ะที่ช่างเขาทำเขามีอายุประมาณการใช้ให้ตามปกติมันเนี่ยมันจะใช้ได้เป็นเวลาสองปีสมปีเขาจะมีอายุการใช้งานของรถของวัตถุต่างๆก็แล้วแต่ละหรือเหมือนกันกับเสื้อผ้าของเรา เสื้อผ้าถ้าเราใช้ธรรมดาธรรมดารู้จักการรักษาใช่ได้กัรู้จักการรักษ า, กกก า, รรกษาซักฟอกเหงื่อใครไม่ให้มันซึมซับอยู่นานเกินสมควรมันก็จะใช่ได้หลายวันหลายเดือนถ้าเราไม่รู้จัก ร, รักษานี่แต่ใช้นี่แต่นุ่งนี่แต่หอมถูกเหงื่อถูกไขรถูก อะไรก็ไม่ซักไม่ฟอกออกน้นก็ทำให้เสื้อผ้าทำให้ไหว้ให้วัตถุที่เขามาถักมาทอเป็นไหว้สำหรับทอเป็นผืนเป็นเสื้อเป็นผ้ามันก็ขาดยุ่ยได้ง่ายนี่ันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นร่างกายของเราธรรมชาติบุญวาสนาบารมี สร้างสรรไว้เนี่ยมันจะให้มีความพอดีพอดีผู้ที่มีวาสนาบารมีให้เป็นมนุษย์สมบัติโดยแท้สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าใช้งานของมันอยู่ตามความพอดีพอดีมันก็จะมีอายุอยู่ได้ถึงห้าสบห้าสิบห้าปี ทุกวันนี้อายุไขลดลงมาห้าสิบห้าปีแต่ที่นี่ถ้าใช้งานมันเกินเหตุเกินผลของมั น, นมันก็จะเกิดทุพพลภาพเกิดหักเกิดแตกเกิดหักเหมือนกันกับรถอีแตนเขาสร้างรถอีแตนสำหรับขนอ้อยขนมันเนี่ยวัสดุสิ่งของที่เขาเอามา สร้างมาปรับมาปรุงขึ้นมานะสมมุติว่ารถอีแตนคันหนึ่งมันจะรับน้ำหนักได้อยู่หนึ่งตันถ้ า, าว่าใส่พอดีน้าหนักของมันอยู่ระหว่างหนึ่งตันการขับขี่เครื่องกลเครื่องยนต์ที่มันรับภาระมันก็จะทาหน้าที่ของมันอยู่ได้ใช้ประโยชน์อยู่ได้เป็น ปีสองปีที่เขารับประกันรถคันนี้รับประกันปีหนึ่งหรือสองปีอย่างนี้แต่ที่ทหาว่าไปใช้เกินน้ําหนักมันรถอีแตนคันหนึ่งเราไปขนอ้อยใส่จนเต็มกระ บ, บะยังไม่แล้วก็ยังเอาเสาเอาไม้พอกโค่นขึ้นไปให้มันได้สามตันสี่ตันขับไปยังออกจากไร่ไม่ไปถึงไหน เดี๋ยวก็เพาขาดเดี๋ยวก็อันนั่นหากเดี๋ยวก็อันนี้เสียเพราะมันเกินน้ำหนักของมันเพราะมันเกินความพอดีของมันนี่เรามาสร้างกายให้มันอยู่ในความพอดีมาบำบัดมาบำรุงร่างกายไม่เอาสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยเข้าไปนี่ที่เรามาสมาทานศีลมารักษาศีล มางวนเว้นจากสิ่งที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายแล้วมันก็เป็นผลเข้าไปสู่จิตใจในี่จึงว่าเรามาทำบุญเรามาสร้างกายมาสร้างวาจามาสร้างจิตใจบำรงใจด้วยอาหารคือธรรมะเป็นอารมณ์แห่งความเข้าใจชอบ ตามเหตุและผลใจก็จะสบายมาบำรุงกายรักษากายด้วยการเว้นจากสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นภัยต่อกายร่างกายก็จะมีความสุขตามพอประมาณตามอัตภาพของเขาจะให้มันมีความสุขตามความอยากความคิดของเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายเนี่ยมัน เกิดจากสิ่งที่อยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันเกิดขึ้นมามันก็มีอายุของมันเหมือนกันนว่าจาที่เรากล่าวเราพูดเราใช้เสียงออกมาทางวาจาให้มันพอเหมาะพอดีเรื่อเป็นเสียงที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยเนี่ยมันก็ไม่นำโทษเข้ามาสู่กายใจของเราเพราะฉะนั้น กำไรชีวิตจะต้องหาเอาด้วย <c oughs> การได้ยิน <c oughs> ได้ฟังธรรมะ <c oughs> ข้ออัดข้อธรรมเพื่อให้เข้าใจเพื่อนำไปสู่ความเป็นอารมณ์ที่ดีของใจ <c oughs> เพื่อให้เราได้ปฏิบัติต่อกาย <c oughs> ต่อวาจาให้ถูกต้องดีงาม <c oughs> ก็จะยังความสุขท <c oughs> ั้งทางกายและทางใจ ให้เพิ่มพูนมากโมนยิ่ ง, งขึ้นไปก็จิตใจมนความสงบจิตใจไม่ฟุ้งซ่านลำคาจิตใจมนความรู้เห็นในสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงมันก็ไม่ปรุงไม่แตง่งมันก็ไม่กดดันประสาทไม่ทำให้เส้นโลหิตแตกไม่ทำให้ประสาทเครียดเนี่ยเพราะความรู้ความเห็นมันเป็นไปตามความเป็นจริง จึงสามารถทำให้กิจใจรู้ ล, ละรู้วางปลอดโปร่งสบายใจสบายเห <c oughs> ็นสบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายด้วยธรรมะ <c oughs> <c oughs> วันนี้พวกเราคณะสิจานุสิ์ได้มาร่วมกันมารวมกันเนื่องในการมาระลึก ถ, ถึง คุณงามความดีมารุ้กถึงคุณของครูบาอาจารย์ซึ่งมีองค์ลงหลงวลงปู่ศรีสิรินทรโรมหรือหลวงพ่อกคูหลวงปู่กคู่มลงชัยขนารักที่พวกเรามีความเชื่อความเลื่อมใสให้การเคารพให้ความเคารพ ในองค์หลวงปู่ว่าปีนี้ท่านมีอายุวัฒนะครบเจ็ดสิบห้าปีในวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์คือในวันพุ่งนี้แหละวันนี้เป็นวันที่หกวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเป็นวันที่อายุวัฒนะครบโมก ครบเจปีเต็มบริบูรณ์เป็นได้มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมมาแสดงออกซึ่งมุทิตาสการะคือมีจิตใจนอบน้อมนั่นแหละคาว่ามุทิตาสการะสการะคารวะจิตใจมีความนอบน้อมมีความอ่อนน้อม แล้วก็ยินดีด้วยเรื่อว่าหลวงปู่ท่านเจริญชนาอายุนี่ใช้ชีวิตดำรงชีพมาจนถึง75ดสบห้าปีแล้วก็ดีใจมีความดีใจหอยใจและมากราบไหว้ธรวะเรียกว่ามุทิตาสการะก็ได้ทำการ กาไหวบูชาจเจริญสติปัญญาด้วยการสาธยายจเจริญพุทธมนต์แล้วก็ถวายวัตถุทายทานสิ่งของปัจจัยสีต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์ไปแล้วตอนนี้ไปก็จะเป็นการเพิ่มเพิ่มพูนบุญด้วยกุศล ้เกิดความฉลาดด้วยการได้ยินได้ฟังธรรมะเพราะอาตมาจะได้น้อมนำธรรมะมาสีแจงแสดงเพราะท่านทั้งหลายจงตั้งสติความระลึกรู้กำหนดกับจิตใจของตนของตนเองคอยสับรับฟังด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติ เกือส่วนใดส่วนไหนที่จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นคุณค่าต่อสติปัญญาที่จะนำไปพัฒนาคุณค่าแห่งชีวิตของเราต่อไปแล้วก็จะได้รับผลรับประโยชน์จากการได้ยินได้ฟังนั้นต่อไปจงตั้งใจสาหรับรับฟังด้วยความเคารพ นาโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสะในมิตตังสาธุรูปนังกัตัญญูกัตถเอสิตาสิ อมัสสะธรรมปริยาญาสสะอทโศสทายาสมาเทหิสังจังธรมโอโซตบโอตีตีนั่งให้สบายวางทาวางทางตั้งใจสบายสบายนั่งให้สบาย <c oughs> ทำจิตใจคอยวางสัญญาอารมณ์อดีตเป็นความฝัน <c oughs> ปัจจุบันเป็นความจริง <c oughs> อนาคตเป็นความหวัง <c oughs> เพราะฉะนั้นวางอดีตวางอนาคตให้อยู่กับปัจจุบัน <c oughs> ขณะนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เรา ตั้งใจเจริญเมตตาภาวนาฟังธรรมะเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความเป็นคนดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีต่อครูบาอาจารย์เป็นลูกที่ดีต่อพ่อต่อแม่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีต่อพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ ตั้งใจให้สบายกำหนดรู้หายใจเขา้าคุดหายใจออกโท ร, รู้ไม่ต้องให้ไปรู้อย่างอื่นไปรู้ว่าจะทุกข์จะจนจะร่าจะรวยอะไรอย่างโนดอย่างนี่อย่างอื่นตัดไม่ให้ส่งแส่สายไปให้รู้อยู่กับรู้กับใจของตัวเองขณะนี้เดี๋ยวนี้หายใจเขา้าหายใจออก ลมหายใจนี่แหละเป็นสมบัติที่มีค่าต่อชีวิตของเรามีค่ากว่าวัตถุสิ่งของสมมติทั้งหลายเงินทองเข้าของเรือสวนไล่นารูปร้านอะไรต่ออะไรไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับลมหายใจเข้าหายใจออกชีวิตของเราถ้าลมหายใจเข้าหายใจออก สิ้นสุดแล้วเขาเรียกว่าหมดคุณค่าแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นกำหนดรูปรมหายใจเข้ารูปหายใจออกรูป ใ, ใจส บ, สบายสบายเสียงที่แสดงธรรมะไปก็จะสัมผัสหูรู้เข้าไปสู่จิตสู่ใจ <c oughs> ความดีความดีเป็นสิ่งที่ จิตใจทุกตัวตนคนสัตว์พาถนาทั้งนั้นไม่ว่าแต่มนุษย์ชาติของเราสัตว์เดยสานก็ต้องการความดีบรรดาจิตใจที่มีเนี่ยรูปคือใจเนี่ยเมื่อมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้น เกิดมีความรู้เป็นธาตุรูปหรือว่าเป็นดวงใจเป็นจิตใจของใครของมันเรียกว่าเป็นดวงเป็นดวงใจดวงรู้ของใครของมันเนีย่ยมันเป็นของใครของมันเมื่อมันเกิดขึ้นมาเป็นของตนเองกันเป็นธรรมชาติที่อยู่ในสภาวะแห่งความรับผิดชอบ แห่ความรู้ของตนเองคือใจเอง่ะมันก็เป็นของใครของมันมเพราะฉะนั้นความรับรู้เนี่ยเมื่ออยู่ในภพภูมิหรืออยู่ในวัสดุอุปกรณ์แห่งความเป็นมนุษย์สมบัติก็ต้องการความดีต้องการความสุขความสบาย ตามความอยากของตนของตนทั้งนั้นเลยอยากอะไรก็แล้วแต่ความอยากที่มันเกิดขึ้นอยากเพื่อให้เกิดความสุขความสบายสมกับความอยากของตนเองที่มีขึ้นเช่นเราอยากมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติอยากมีเราเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้ใช้จ่ายใช้สอยยั่งความสุข กายสบายใจให้เกิดขึ้นนี่เราจึงมีความอยากได้เงินได้ทองตามสมมุติเขาอยากได้บ้านได้เรียนที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันเพื่อให้มีความสุขกายสบายใจอยากมีเสื้อผ้าอาพรเครื่องนุ่งหง่มก็เพื่อจะให้มีความสวยความงามความสง่างาม เพื่อมีความอบอุ่นในร่างกายเราได้นุ่งได้ใส่เข้าไปแล้วนี่มันเป็นความอยากเพื่อความสุขความสบายของตนทั้งนั้นเลยอยากมีหยุกมียารักษาบำบัดเวลาเจ็บป่วยไข้หรือว่าอยากมีข้าวปลาอาหาร น, นี่ก็เป็นยาประเภทหนึ่งท่านเรียกว่ายาปนนัตยาที่บำบัดเพื่อยังชีวิตให้เป็นไปแต่ท่านแยกเป็นอาหารบินทบาทในปัจจัยสี่เครื่องอาศัยคนเราเกิดมาแล้วอาศัยปัจจัยสี่นี่แหละเพื่อบำบัดทุกข์ทั้งหลายบำบัดเวทนาเพื่อให้เบาบางไป ยังความสุขให้เกิดขึ้นนี่ในปัจจัยสี่เมื่ออยากในปัจจัยสี่ท่านจึงให้มีธรรมะอยาก่ะห้ามไม่ได้ล่ะมันก็ต้องอยาก <c oughs> เพราะสิ่งที่จะต้องอาศัยให้มีความสุขอย่างมนุษย์ชาติของคนเรา พัฒนาที่อยู่ที่อาศัยมีบ้านมีเรียนนั่นต้องมีความอยากที่เมื่อมีความอยากท่านจึงให้มีธรรมะธรรมะก็คือสติปัญญาที่รู้เหตุผลความพอดีในการที่จะอาศัยปัจจัยสีน่นี่พอให้เกิดความสุขทางกายสบายทางใจ ตอนจึงมีบทที่พวกเราสวดสาธยายธรรมะอัชมยาปฏิสังขายโยยะถาปจยังก็แล้วแต่เป็นบทที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นแหละที่เอามาเขียนเป็นตำลับตำราเป็นบทสวดในการพิจารณาปัจจัยสี่ทำไมยังต้องพิจารณาทำไมยังต้องใช้ปัญญาในการพิจารณา ทำไมถึงต้องใช้สติระลึกรูปในสมบัติหรือในวัตถุที่เราอาศัยเพราะถ้าไม่มีสติรละลึกรู้ไม่มีปัญญารู้เหตุผลในการพึ่งพาอาศัยสมบัติปัจจัยสี่ในความทุกข์มันจะเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นให้เป็น พื้นกระทบจิตใจที่เป็นธรรมชาติรู้เนะี่ยมันจะรู้ไม่ถูกรู้ไม่ชอบแล้วมันก็จะเกิดสัญญาเกิดอารมณ์ที่ผิดๆเป็นสัญญาวิปาัาสความจำผิดไปเกิดความเห็นเป็นทิฏฐิวิปาัาสเห็นผิดไป เห็นคุณค่าของปัจจัยสี่ผิดไปจากความเป็นจริงนี่จึงต้องมาภาวนาจึงต้องมาสวดปฏิสังขาโย ο, สวดอสมัยาบทพจทิจารณาปัจจัยสี่ให้พิจารณาบทแรกเกี่ยวกับของอยู่ของกินอาหารการบริโภคบทแรกเกี่ยวกับ ผ้าเครื่องนุ่งหม่มปฏิสังขโย ο, หรืออัจฉมายาปัจเวกคิคตตวายังจีวรังปริพุตังนี่ท่านให้พา่ณาผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพื่ออย่างอื่นใช้เพื่อการปกปิดกำบังร่างกายเพื่อบรรเทาความร้อนความหนาว ป้องกันเหลียบละยูงมดไรต่างๆที่จะขบจะ ก, กัดนี่เหตุผลมันมีอยู่เพียงแค่นี้ไม่ได้ใช้เพื่อจะโอ้อวดความสวยความงามโอ้อวดความมีฐานะความมีทรัพย์สมบัติอะไรถ้าไม่เข้าใจในการใช้ประโยชน์ของปัจจัยสี่มันก็จะเกิดทุกข์เพราะใจเนี่ย มันหลงแล้วมันก็จะเกิดความทะเยอะทะอยานไปตามสมมตุติไปตามาเหตุผลของกิเลสคือความหลงความอยากเพื่อเปลี่ยนเพื่อยศเพื่อโอเพื่ออวดศัก์ศรีเมื่อความไม่รู้เหตุผลตามเป็นจริงเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดความทะเยอะทะอยาน ในเครื่องนุ่งเครื่องห่มต่างๆพอนุ่งได้ปิดบังลมแดดได้ไม่เอาต้องเอาให้มันมีสักมีสีชุดละร้อยละพันไม่พอทำให้ชุดละหมื่นสองหมืนชุดละแสนถ้ากินมันกําเริบไปอย่างนั้นมันก็ต้องใช้จ่ายรัพย์ตามไป มันใช้ใจ่ายซักตามไปมันก็ต้องดิ้นรนหาให้ได้มากๆเนี่ยมันกดิ้นรนหาให้ได้มากๆามันก็ต้องเกิดความทุกข์เพราะความดิ้นรนเนี่ยสายทางแห่งความทุกข์เพราะความไม่มีธรรมะในการใช้เครื่องนุ่งเครื่องห่มบทกีวรบทที่สองปินณฑรปตัง ของอยู่ของกินร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดมาจากธาตุการประชุมแห่งธาตุมีธาตุดินธาตุน้ำรวมประชุมกันแล้วก็มีอาศัยธาตุไฟธาตุร้อนธาตุอบอุน่นแล้วก็อาศัยธาตุลมที่หายใจเข้าหายใจออก แล้วก็ยังอาศัยช่องว่างๆอยู่ที่มีอากาศทายเทดีๆถ้าอากาศอบอากาศอับอากาศชื้นหรืออากาศไม่ทายเทมันก็อยู่ไม่สบายอย่างเราเข้าไปในห้องกระจกปิดไม่มีช่องอากาศระบายอยู่ไม่นานแล้วก็ตา ย, ยไม่ได้นี่จึงว่าอาศัยธาตุอากาศคือช่องว่างๆทายเท แล้วก็มีธาตุจิตใจที่เรียกว่าวิญญาณธาตุแต่ที่นี่ส่วนที่มันต้องบํารุงกันให้พอดีพอดีก็คือบํารุงด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุอากาศธาตุลมและธาตุไฟเพราะฉะนั้นจึงต้องเลยอาศัยอย่างใช้ไฟฟ้ามันก็ต้องอาศัยเพื่อให้แสงสว่างที่นี่ไฟฟ้าเนี่ยเราต้องจ่ายค่าให้เขาที่เราไม่ใช่ ถ้าเราไม่ใช้ไฟฟ้าเราหาไม้หาฟืนหรือหาแก๊สนันก็ต้องได้ใช้เงินใช้ทรัพย์ที่ไปซื้อไปหาที่ถ้าหาว่าจะใช้สิ่งธรรมชาติที่มันไม่ต้องซื้อต้องหามันก็มีแต่มัน ก, มก็ไม่พอกับความต้องการกับความอยากของเราที่อยากสบายสบาย ใช้ไฟด้วยความสบายใช้ลมด้วยความสบายเนี่ยมันก็จึงเป็นเหตุที่ต้องดิ่นลนไปหาทรัพสมบัติเนี่ยมันเป็นสายทางเพื่อเข้าไปสู่ความอยากตันหารให้เกิดขึ้นแต่มีตันหามากๆความอยากมากๆ ม, มันก็ต้องดิ่นลนมากนิ่นลนมากนนมาก็ทุกมากถ้ามีพอดีพอดีใช้ตันหาพอดีพอดี ความอยากกับความเป็นอยู่พอดีพอดีมันก็ไม่ทุกข์มากนี่ท่านเพงให้พิจารณาของอยู่ของกินาปลาอาหารมันพอประทังชีวิตไปได้ก็เอาเถอะจะไปให้มันเลยความพอดีด้วยความหลงด้วยเกียดด้วยยศ ด, ด้วยความสรร เ, เสริญ ก๋เตี๋ยวสามละสิบบาทที่สิบบาทมันก็อยู่ได้เนี่ยไม่ต้องว่าทาก็กินสามละร้อยละหมื่นละแสนตามค่านิยมนี่เมื่อพิจารู้เหตุรู้ผลก็ปฏิบัติในความพอดีเกี่ยวกับของอยู่ของกินได้แต่ก็ไม่เอาของที่มันมีโทษมากิน มาดมืมากินมาบริโภคมันก็ไม่เกิดโทษมันก็ไม่เป็นโลกนั่นโลกนี่เพิ่มขึ้นมาไม่กินมากก็ไม่เป็นโลคอ้วนกินพอดีพอดียังชีวิตให้เป็นไปกินมากเกินความพอดีอ้วนกลายเป็นโรคอ้วนพออ้วนแล้วก็ต้องหายารักษาโรคอ้วนอีก ก็ต้องใช้เงินใช้ทองอีกต้องหายูหายาหาหมอรักษาเนี่ยมันก็เพิ่มภาระเพิ่มเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดความอยากนันก็เป็นทุกข์นี่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาก่อนบริโภคอาหารที่อยู่ที่อาศัยก็ม้วนกันเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัย นี่ธรรมมาของพระเจ้ทาท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนให้ดูของที่มีอยู่ให้ปฏิบัติกับของที่มีอยู่นี่ไม่ใช่ว่าสอนจะให้ไปสวรรค์ไปนิพพานอันนั้นมันเป็นผลขั้นสูงสุดไปก่อนจะถึงสวรรค์ถึงนิพพานได้ก็ต้องมารู้นี่แหละของเบื้องต้นที่กายกับใจอาศัยกันอยนีที่ร่างที่กายอาศัยปัจจัยสี่อย่างนี้ ใรูปประมาณที่อยู่ที่อาศัยเรียนชานบ้านช่องพอกันแดดกันฝนได้กันลมกันร้อนได้กันสัตว์ร้ายสัตว์เลื้อทานได้ก็พออยู่พอกินพออาศัยได้ไม่ต้องออกไปโอ้อวดไปให้มันงามอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ก่อสร้างปีนี้ก็ไปหาเงินเมืองนอก ท่านทำงานอยู่เมืองไทยว่านเจ้าของมันได้น้อยเดือนละ5้0พันปดพันพันเดือนละหนึ่งมก็ไม่พอแก่ความอยากไปเมืองนอกหากู่นี่ยืมสินมา่อนไปเป็นนีเป็นสินสองแสนสามแสน เพื่อจะไปหาเอาให้ได้เงินเดือนเดือนละสองหมื่นสามหมื่นสุดท้ายหาไปก็ได้มาก็เท่าเก่านั่นแหละเพรเสียไปก่อนแหละสองแสนสามแสนทีนี้หาได้มาแล้วก็ไม่ทําอะไรพอกลับมาบ้านก็มารื้อบ้านหลังเก่านั่นแหละที่อยู่ได้ก็อยู่ได้มาสร้างใหม่ เพื่อโ อ, อ้วอดตาชาวโรคชาวบ้านเขาว่าตนเองมีบ้านมีเรียนหลังใหญ่โตสวยงามเงินที่หามาได้สร้างไปสร้างมาก็ไม่เสร็จอีกเงินหมดอีกเอาอ้าไปกู้อีกกู้มาสร้างเสร็จแล้วได้บ้านหลังสวยๆงามๆใหญ่โตนั่งนึกนั่งคิดอยู่ สวันสาวั น, วนตายมี น, น, นี่อีกคำยังไงเอาไปอีกแหมมันก็อยู่แค่นี้ได้ชีวิตนี่ยเราอยู่กับความทุกข์เพราะความไม่พอเพียงเพราะความไม่มีธรรมะเนี่ยธรรมะพระพุทธเจารร้าท่านสอนมันพอดีพออยู่ได้พอปิดป้องกำบังได้ก็ อ, อยู่ไปเถอะแต่นกแต่หนูเขาก็ทำรังอีกพอได้ อยู่อาศัยพอได้หลับได้นอนหนูเขากบคดัรูอยู่ไปพอได้หลบภัยเห็นคนมาเห็นสิ่งที่จะทําร้วิ่งเขา้าหลบภัยในรูเขาหลบก็ อ, อยู่ได้นี่ท่านมีธรรมะมีการภาวนามีการใช่สติปัญญาของเราสอนใจเราให้รู้ความพอดี กับปัจจัยเครื่องอาศัยนมันก็จะบรรเทาความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมากๆให้น้อยลงไปได้มีเกี่ยวกับบ้านกับที่อยู่ที่อาศัยระเบียรักษาโรคก็เหมือนกันไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆแพงๆเสียค่ายุกค่ายาแขงแพ ง, แพงน่มันพอมีบำบัดรักษาโรคไปให้เจ็บได้นะครับ รักษาไปอันนี้พูดถึงเรื่องธรรมะที่จะนำความทุกข์ออกในปัจจุบันเกี่ยวกับชีวิตของเราเที่กายกับจิตอาศัยกันต้องอาศัยปัจจัยสี่ให้รู้ความพอดีท่านยังมีบทธรรมะให้สวดให้พิจารณาอันนี้ก็เป็น เรื่องธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราและที่นี่ความเพียรพระพุทธเจ้าสอนความเพียรชอ่อเรามาใช้ความเพียรวิริเยทุคามัจเจติผู้จะร่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียร ความเพียรพยายามคำว่าความเพียรความเพียรความเพียรชอบเพียรในที่สี่สถานเพียรละเพียรละเพียปรประหารประหารเพียรสังวรมีความสังวรมีความ ระหว่างท่านงว่าสังวรประทานเพียนสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้ความชั่วความเสียไม่ให้โทษทุกเกิดขึ้นนี่มีสติะระลึกเพียนสิ่งใดที่มันจะเป็นโทษทางกายทางวาจาทางจิตใจโทษเกิด ทางกายด้วยทุจริตการฆ่าการรักขโมยการประพฤติผิดในการเมสุมิชชาจารเพียนสังวรไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือสังวรไม่ทำในกรรม น, น, นั้นนี่ก็บาปมันเขาไม่เกิดขึ้นในทานเร็วสังวรประทาน เพียนสังวรบาปทางวาจาการกล่าวคนเรามันต้องใช่วาจาใช้กายใช่วาจาในเมื่อชีวิตยังมีอยู่ต้องพูดกันให้รู้เรื่องรูราี่การใช่วาจาก็ไม่ให้เป็นวาจาทุจริตเพียนสังวรไม่ให้ความทุจริตทางวาจาเกิดขึ้นไม่กล่าวเท็จไม่กล่าวคำหยาไม่กล่าว ไม่กล่าวหลอกลวงอำพางไม่กล่าวคำหาประโยชน์ไม่ได้กล่าวแต่คำเป็นสุภาษิตนี่อยู่ตรงนี้การปฏิบัติธรรมะมัได้อยู่ที่สวรรค์นิพพานที่ไหนอยู่กับกายขวาจาของเรานี่ปฏิบัติธรรมไม่ให้เข้าใจ คำว่าการประพฤติทมปฏิบัติทมสังวรมันอยากจะพูดก็ไม่พูดวาจาที่เป็นโทษนี่คือความสังวรหรความเพียรถ้าไม่มีความสังวรไม่มีความเพียรมันก็พูดแต่สิ่งที่ผิดๆ น, น, นีวาจาหวก็ใช่ให้เป็นโทษโอบดหลอกลวงลอง่ำพาง ดาวา่าหยาบคายนันก็เกิดโทษทั้งนั้นเมื่อใช่วาจาที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นสุภาษิตสังวรสงวรังวรที่ตัวเรามีสติแล้วลรูร้ที่ใจสังวรใจแล้วก็งับปากไว้ถ้าใจมันยังอยากเกิดความอยากพูดอยากนี่ก็งับปากไว้ไม่ให้มันพูด มันก็ม่มีเสียงแต่ถ้าใจนึกคิดขึ้นมาแล้วปล่อยปากอ้าวเป็นเสียงออกไปเป็นโทษเป็นกรรมนั่นเรียกว่าเป็นวจีกรรมเป็นโทษเป็นบาปด้วยวาจาให้เข้าใจธรรมเกี่ยวกับกายทวาจาของเราอย่างนี้แต่ส่วนจิตใจนั่น มันไม่มีตัวตนเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากแต่ก็ต้องอาศัยการสร้างสติความระลึกรู้ให้มันระลึกรู้ทันความรู้แล้วมันจะเกิดความอยากมันจะเกิดความนึกคิดนั่นแหละควบคุมใจควบคุมด้วยสติมีความเพียรสังวรควบคุม ใจด้วยความมีสติสัมปชัญญะนี่เป็นการเพียนวควบคุมบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทาง จ, จิตใจเรียกว่าสังวรประทานปหาณะประทานที่มีแล้วที่เคยพูดเคยทำมาแล้วก็เพียนสังวร ปหัประหารก็คือการละนะั่นแหละการไม่ทำอีกต่อไปนะั่นเป็นการประหารเคยทำบาปเคยดา่าเคยว่าเคยหลอกลวงมาแล้วยุดที่รู้โทษของมันเคยประพฤติผิดร่วมเกินการเมิมิ ช, าชาัยจารยุดเคยฆ่าเคยตีทำลายชีวิตของเขายุดนั่นคือประหาร คือประหารนับประทานเพียนเพียนประหัตประหารเพียนฆ่ามันออกไปสิ่งที่ไม่ดีที่มันมีมาเคยทำมาแล้วและก็ภาวนาประทานเพียนสร้างความดีให้เกิดขึ้ น, นเหมือนอย่างพวกเรามาทำมาเพียนรักษาศีลเจริญเ ม, มตตาภาวนาเพียนหว้พระสวดมนต์ฝึกมีสัยปัจจัย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเพียนเอาทั้งนั้นล่ะเพียนทมให้เกิดให้มีขึ้นบ่นเกิดแทงบุญแทงความดีความชอบทานาไมศีรมัยภาวนาไม่พระพุทธเจ้าพระองค์สอนมาตั้งแต่ประกาศสอนธรรมแก่พุทธบริษัททรงแสดงอนุปคิกถา ว่าถึงเร่อกทานศีลภาวนานี่เราก็เพียนให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาให้ทานวัตถุสิ่งของให้อภัยทานคือให้อภัยโทษไม่ถือโกรธถือเคืองไม่ถือพยายาบาทอาฆาตจองเวรเป็นการให้ทานนี่ให้ทานรักษาศีล ภาวนาพุทโธธโมโอสงโคตั้งสติกำหนดรู้จิตใจนี่ตั้งใจภาวนารู้ใจรู้หายใจเข้าหายใจออกเหมือนกันกับเราไปรู้เรื่องจะหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติเราไปคิดหาเงินหาทองหาทรัพย์สมบัติทำอย่างนั้นได้ยากนี่หายากนี่นียากนี่เรายังคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือน มากำหนดรูหายใจเข้ารููหายใจออกรูให้มีสติครบคุมจิตใจของตนเอง <c oughs> อ น, นี่เรียกว่าเพียนสร้างบุญให้เกิดทางจิตใจให้เกิดทางกายทางวาจานี่เป็นภาวนาประทานเพียนสร้างความดีให้เกิด อ, อนุรักษณาประทานเมื่อทำความดีต่อเนื่อง รักษาศีลต่อเนื่องภาวนาต่อเนื่องหรือเว้นจากการทำบาตต่อเนื่องครันเราเว้นให้มันต่อเนื่องไม่ต้องมาเว้นเฉพาะสามเดือนในพรรษาหรือไม่ต้องมอเว้นเฉพาะวันพระวันจ้าววันโกนเว้นตลอดไปทุกวันทุกวันทุกขณะจิตของจิตของใจของเรา มันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความสุขความดีเกิดขึ้นในใจใจมันมีความดีความชอบเป็นอารมณ์แล้วมันก็สุขสบายมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาชอบเป็นอารมณ์เครื่องรู้เครื่องอยู่ของใจนะใจสบายใจสบายเรื่อธรรมะ นี่เพียนรักษาไว้นี่เรียกว่าอนุรักษนาประทานเพียนรักษาความดีรักษาบุญกุศลที่ทํามาแล้วที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทําต่อๆไปต่อไ ป, ออไปให้ทานไปเรื่อยๆ ร, รักษาศีลไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆนี่ไม่ลืมกายลืมใจของตนเองนี่คือการประพฤติธรรมคือการปฏิบัติธรรม คือความะระลึกชอบมีสติะระลึกชอบมีจิตใจตั้งใจไว้ชอบมีปัญญารอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามความเป็นจริงของเข า, าเรียกว่าปัญญาชอบสมา ธ, ธิิปัญญาเห็นชอบเมื่อใจของรู้เนี่ยมันประชุมรวมลงเห็นชอบด้วยสติสมาธิและปัญญา ด้วยการปฏิบัติการกระทําของเราแล้วโอ้ยใจสบายที่นี่ถึงแม้เราจะสแสวงหาปัจจัยสี่เคลื่อนอาศัยเงินทองเข้าของของอยู่ของกินของนุ่งของหอง่มเรียนชานบ้านช่องยารักษาโรคภัไยไข้เจ็บมันก็มีความสุขโดยทมให้เป็นทุกข์ นี่ถ้าขาดธรรมะขาดสติสมาธิปัญญาขาดความรู้ชอบขาดความเพียรชอบดังที่กล่าวมาเนี่ะโอยมีแต่ทุกข์กับทุกข์ดิ้นรนสแสวงหายา ก, ก็อยากจนเลยขอบเลยเขยดเป็นทุกข์แก่ตนเองผลสุดท้ายหาไม่ได้ตามความอยากก็ต้องเพิ่มทุกข์เข้ามาอีกลายตัวเองลงไปอีก แน่มันเป็นอย่างนั้นความไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นเรื่องธรรมะนี่พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่พ่อองค์ได้ตัดสรุปอริยสัจธรรมทั้งสี่สอนทุกขสอนเหตุที่เกิดแห่งทุกสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุกนั่นดัดไปสอนศีลสอนสมาธิสอนปัญญา สอนวิชาความรู้ทั้งหลา ย, เ น, ยเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมะสอนเมตตาสอนข้อปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติต่อกา ย, ต, กายต่อวาจาต่อจิตใจของเรานั่นเอง คำว่าศีลเรื่องของศีลการให้งดเว้นจากโทษจากบาปไม่มีอะไรยุ่งยากง่ายๆธรรมะของพระเจา้าเปิดเผยสิ่งที่ยากให้เป็นของง่ายีบาปกรรมทั้งหลายโทษภัยเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจที่ทำสิ่งที่เป็นบาปเจ้าจสอนให้เว้น ศีลห้าเมื่อเว้นจากโทษมันก็เป็นศีลเป็นความสุขความสบายความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกายของวาจาของจิตใจนี่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเราลู่ลูล่พรเจ้าสอนย่าไปฆ่าจะไปทำลายชีวิต <c oughs> ของคนอื่นของสัตว์อื่นให้มีเมตตาต่อกัน <c oughs> เราก็ตั้งเมตตา ชีวิตใครเขาก็รักษาเขาก็ห่วงแม้แต่ชีวิตเราเราก็ยังห่วงที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาเลี้ยงชีวิตของตนเองก็กกเพราะห่วงชีวิตและคนอื่นสัตว์อื่นเขาจะไม่ห่วงชีวิตเขาอย่างไรเขาก็ต้องห่วงเหมือนกันอย่า <c> ง <oughs> เราไปหาฆ่าหาอยู่หากินหายิง น, นกตกป่าอะไรก็แล้วแต่ละ เขาต้องเอาชีวิตของเขาหนีจนนี้ไม่รอดจึงยอมตายนี่ให้เจริญเมตตานึกถึงเขานึกถึงเราชีวิตของใครใครก็หวงแหนใครก็สงวนใครก็รักษาเพราะฉะนั้นรักษาชีวิตของตนด้วยความชอบธรรมอะไรไม่เป็นการเบียดเบียนเพื่อมาเรื่องชีวิตของเราแล้วก็ทําในสิ่งนั้ น, นท่านจึงมี วาให้เล่นจากการฆ่าการทำลายชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยรินยู่งหอยปูอะไรก็แล้วแต่ละ่ะแม่แตีชีวิตอยู่ในท้องเด็กลูกเกิดมาพ่อแม่ลังเกียจไม่อยากให้ลูกเกิดก็ฆ่าแต่นในท้องอันนี้เรียกว่าทำลายชีวิต การทำลายชีวิตผู้อื่นเราฆ่าเขาเราก็ต้องถูกฆ่าตอบเพราะฉะนั้นจึงตายเพราะถูกการฆ่าผู้ใดทำบาปทำกรรมทำลายชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมากๆเวลาจะตายตายด้วยการถูกฆ่าเหมือนกันเพราะเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราตอบเว้นเสียไม่ทำนั่นก็เรียกว่าไม่ได้ทำกรรมก็ไม่มีผลแห่งกรรม นี่มันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมันง่ายๆขโมยก็ยเหมือนกันการที่เอาสิ่งของผู้อื่นนี่เป็นบาปเว้นไม่รับไม่ขโมยมการล่วงเกินสามีภรรยาด้วยการเอซ้สมิตช้ายจางนั่นก็เป็นบาปเป็นโทษก็เว้น ไม่ทำทำในส่วนที่มันไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษเนี่ยโทษใหญ่ๆโทษหนักๆนกัมูลเหตุแห่งบาปแห่งกรรมมันมีอยู่ห้าอย่างเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เว้นให้ละให้หยุดไม่ให้ทำถ้าเราไม่ทำนะมันก็ไม่มีบาปมมีกรรม ไม่กลาโผ่ผลนมดเท็กลอกลวงอำพรางไม่ดื่มจิงเครื่องดองของเมาที่มันไปเสริมธรรมดาจิตใจของเราเนี่ยมันก็พังพังเผลออยู่แล้วอย่างสัญญาความจำได้หมายรูปเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดโปรงอะไรมากอยู่แล้วยิ่งไปเอาของเมาของ เ, ม, องเมินของเมาใส่เข้าไปก็มันก็ไปเพิ่มทาลาย ท่านเลว่าให้เว้นจากการดื่มกินเครื่องรองของเมาอันเป็นสิ่งที่ทำให้สติฟั่นเฟือนอก็เวน้นเว้นมันก็ไม่มีบาปไม่มีอะไรมารับประกันยุ่งยากนี่เราอยากดีอยากมีบุญมีกุศลคืออยากอยู่เย็นเป็นสุขก็เว้นจากการทำบาป คำโทษทั้งห้าประกาศนี่เป็นส่วนเกี่ยวกับกายกวาจาเรื่องของจิตใจเฉพาะก็ให้ภาวนาให้ภาวนาให้มีสติกำหนดจิตใจให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยคืออารมณ์แห่งความดีและลึกถึงความดีที่ตนได้กระทั่แล้วทำส่วนไหนก็ตามแล้วแต่ มันเป็นการทําความดีสร้างความดีต่อบุ้คลอื่นหรือแก่ตนเองก็ระลึกถึงความดีนั้นๆให้เป็นอารมณ์ของใจใจก็ะจะตั้งมั่นสงบไม่ฟุ้งซ่านรังคาลนั่นเอกว่าฝึกใจให้มีสมาธิมีการรูดตัวรูปปัจจุบันอันจึงให้นึกพุโทโธพุธโทโธหรือ น, นึกอารมหายใจอารมณ์หายใจเป็นที่ตั้งง่ายง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไร หาบุญหาคุณศนหาความดีหาสวรรค์นิพพานหาอยู่ตรงนี้พุทธเจ้าสอนให้ให้หาตรงนี้แหละเสก่อนไอไอคำว่าสวรรค์นิพพานมันมันเป็นผลมันเป็นยอดแล้วต้นเหตุให้ทํานี่ให้มีสติกำหนดรูหายใจเข้าหายใจออกของตนเองให้มันต่อเ น, นื่องแน่แน่แ น, นก็จะยังสมทิติตหรือยังปฐมฌาน คือความเพ่งในอันดับหนึ่งแน่แน่ใจก็ขาดจากความลิ้นลนสายแสบุ่งซ่านลำคามันก็สบายมีความสุขในปฐมฌานคือการเพ่งในอารมณ์อันเดียวแน่แน่แนแนแนได้หรือว่าเป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิความะระลึกชอบในอารมณ์อันเดียวทำมันะระลึกได้นานๆต่อไปมันก็มีความสูงนานไป อุปจาระสมาธิอัปนาสมาธิละเอียดเข้าไปอันนี้เป็นเรื่องของจิตเฉพาะอันนี้ไม่ต้องไมไ่ต้องไปเข้าคอร์ดไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นแหละทั้งหมดปัจจุบันขึ้นมาเลยปัจจุบันนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ต่อเนื่องกันเนี่ยแยไม่แพ้งไ ม, ไม่เพอ้อ ใจก็สบายนั่นผลประโยชน์คุณค่าคุณค่าของสมาธิธรรมคุณค่าของสมบัติคือสมาธิมี่มากกว่าคุณค่าของเงินทองที่เขาสมมติก่ะมันตรงเข้าไปหาฐานสำคัญคือใจของเราเลยผู้ที่สัมผัสรับรู้ นี่ให้ปฏิบัติอยานี้ปฏิบัติต่อกายต่ววาจาต่อจิตใจของเราเรียกว่าปฏิบัติธรรมปัญญาสีนสมาธิปัญญ า, มม า, ป, ญญาปัญญาก็อยู่ที่ใจของเราปัญญาคือความรู้ความรอบรู้ในความรู้ความเห็นของใจ ที่นาท่านจึงมีหลักอันนี้จำทุกคำหน้าตาเมื่อสัญญามันไปจําเรื่องอะไรมาหรือสังขารมันไปปรุงแต่งอะไรจากสัญญาที่จํามาได้มันไปปรุงแต่งเรื่องอดีตอนาคตเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษอะไรมา มาพิจารณาประชุมรวมลงสู่ความไม่เที่ยงที่ท่านเรียกว่าอานิจจังหรือทุกขังความทนจิวจะให้มันรู้อยู่อย่างงันเป็นปกติไม่ได้เพราะมันมีความทุกข์อยู่ในตัวของมันคำว่าความทุกข์คือความเคลื่อนไปความเปลี่ยนแปลงไปเพราะท่านมันจึงรวมอยู่ด้วยกันท่านทุกขังทังอนิจจังและก็รวมเข้าไปสู่อนัตตา คำว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่มีอะไรเป็นของของเราไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนทั้งนั้นแหละในสมมตินี่มันเป็นสมมติเฉยๆมาสมมติกันสมมติลูกสมมติพ่อสมมติแม่สมมติสามีภรรยาสมมติญาติพี่น้องอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องสมมติทั้งหมดถ้าวิมุติเน่มันไม่มีอะไรเป็นอะไร ท่านจึงว่าวิมุตติเมื่อเกิดความรู้ตามเป็นจริงของสมมุติแล้วท่านจึงเรียกว่าวิมุตติญาณทัศน์ความรู้ความเห็นตามเป็นจริงแห่งสมมุติวางไม่มีอะไรในใจเป็นความรู้ที่วางที่ว่างรู้ที่ไม่มีทุกรู้ที่ไม่หนักไม่เบาไม่เป็นอะไรทั้งนั่นแหละ นั่นจรงว่ารู้ไม่สุขรู้ไม่ทุกข์รู้ว่างรู้วางด้วยปัญญาการเข้าไปรู้อนิจจังทุกขังนัตตาตามเป็นจริงนี่ให้ใช่หลักอนิจจังทุกขังนัตตาเป็นหลักเพ่งเล็งที่นิจที่าจราิญสรุปเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณความรู้ความนึกความคิดเลย ให้ประมวลให้มันเห็นตามความเป็นจริงมันเห็นเองมันรู้เองเมื่อเราเอาสติมาละลึกลู่อยู่ในหลักเหล่านี้เอาสติมาละลึกลู่เอาใจมาควบคุมให้มันรู้อยู่ในหลักในกฎของอนิจจังทุกขังหน้าตานี่อยู่เรื่อยๆ เ, เมื่อมันไปชมุมลงเป็นความรู้ความเห็นเป็นญาทัศนะนะ รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วอันนั้นล่ะมันจะว่างในใจของเรามันจะสิ้นสุดทุกขในใจมันจะไม่ได้แบกทุกอะไรต่อไปทุกกายทุกใจจะไม่มีทั้ง น, นั้นลหละด้วยอำนาจแห่งธรรมะคือปัญญา <c oughs> เมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนธรรมะเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมที่พิสูจได้เมื่อพระองค์ประพฤติธปฏิบัติรูปคันทางเข้าใจในเส้นทางแล้วก็มาสอนพวกเราเนี่ยที่พวกเราได้กล่าวสวดสาธยายประวาตาโตพระควตาธรรมโม ก็ปแปลว่าทมที่พุทธเจ้าตัดไว้ชอบตัดไว้ดีแล้วแล้วมันมีอะไรบ้างทมที่ตัดไว้ชอบที่ตัดไว้ดีแล้วสันทิฏิโก้ท่านบอกว่าจะต้องปฏิบัติเองทาเองแล้วก็รู้เองเห็นเองเนี่ยเหตุผลมันไป็อย่างนั้นนี่ที่ตัดไว้ชอบ อาการิโกแล้วมันก็ให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาทำมีเวลาไหนปฏิรับผลดีเวลานั่นทำชั่วเวลาไหนปฏิรัชั่วเวลานั่นไม่มีการไม่มีเวลาทีท่านจริงว่าอาการิโกเอฮิปัสิโกที่สู่ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมมาของพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรบ้างมีคุณค่าที่พิสูดได้ ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติตามมันนะ่ะตามเหตุผลน่นเห็นว่าเอหิประสิโกภิสูได้ล่องเรียกมาดูได้หรือน้อมใจของเราไปดูไปปฏิบัติตามสร้างสติสร้างสมาธิปัญญาให้มันเกิดมันมีขึ้นมาในใจนั่นแนหะพิสูได้พ้นทุกได้มีคุณค่าต่อการ ดำเนินไปสู่ที่สุรแห่งทุกข์ทั้งกายและทางใจได้สิ้นสุดบาปอากุศลทั้งหลายได้นดี่พิสูจได้ปัจจังเวทิตโภวินโยหิผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นละจะรู้จำเพาะตนพ้นทุกข์จำเพาะใจนี่อยู่ที่นี่อยู่ที่ตรงนี้ที่เจ้าสอนธรรมะ ด้วยพระเมตตาคุณพระมหากรุณ า, ณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณของพระองค์เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามทำ ม, มาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เรามีครูบาอาจารย์วันนี้พวกเรามาแสดงออกซึ่งมุทิตาสการะต่อองค์หลวงปู่สีของพวกเรา องครูท่านสอนให้ละ บ, บาปทงบุญเหมือนกันตามพุทธเจ้าสอนนั่นแหละนี่เมื่อเราได้รับคําสอนได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ปฏิบัติตามการปฏิบัติตามนั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้มี <c oughs> ตกตัญญูกตเวทิตาทำเพราะรู้แล้วปฏิบัติตามทำคําสอนของพุทธเจ้าเมื่อเรา กติบัติตามเราก็จะได้รับผลที่เราจะได้เป็นคนดีเป็นลูกศิษย์ที่ดีเป็นอุปสงา์ปัสกาที่ดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมปัจจุบันนี่เราจึงได้รับความดีตามภาษิตที่ยกขึ้นว่านิมิตตังสาธุรูปนงังกาตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี นีเป็นสิทธิ์ที่ดีเป็นพ่อที่ดีแม่ออกที่ดีอะอุบาสกวาสิกาที่ดีเป็นลูกเป็นหลนานที่ดีก็มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อต่อแม่เป็นอุบาสกวาสิกาที่ดีก็มีกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธธรรมประสงค์คือประพฤติปฏิบัติตามผลก็คือเราเป็นคนดีแล้วเราก็เลมีความสุขดี มีชีวิตดีมีพบชาติที่จะเกิดต่อไปอีกดีมิจะ ด, ด, ดีดีดีทั้งนั้นดีไปจนถึงที่สุดพ้นจากดีทั้งหลายหยุดเกิดมื่อไม่เกิดก็ไม่ตายไม่แก่ไม่เก็บนั่นเป็นที่สุดอันยิ่งอ้นั้นได้นำธรรมะมาเอือนมาอบรม มาสอนไม่ใช่ธรรมะที่อื่นที่ไกลธรรมะคือตัวของเราเองเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องจิตใจของเราเองแล้วก็สอนก็สอนตามคำบอกคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนได้สี่แนะไว้ไว่าให้ปฏิบัติต่อกายของเราต่อวาจาต่อจิตใจของเรา เป็นไปในศีลในสมาธิในปัญญาในทานศีลภาวนานี่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ในเบื้องหน้าประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ดำรงชีวิตด้วยความขยันหมั่นเพียรทำกิจการงานที่ชอบตามหนทางแห่งศีลธรรมม่ไปลบมันไป รักไปฉกไม่ไปพ้ปนไปจี้ไม่ไปเหยียดเบียยไข่มาเลี้ยงชีวิตของเราเราก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการเลี้ยงชีวิตของกายและก็อยู่เย็นเป็นสุขด้วยการเลี้ยงชีวิตของใจด้วยศีลด้วยธรรมดังที่กล่าวมาวเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพอจงโอปันนาิโกน้องเข้ามา น้อมอะไรน้อมใจน้อมความรู้น้อมสติะระลึกรู้มารู้กายรู้ใจรู้วาจาของตนเองด้วยความไม่ประมาทต่อแต่นั้นไปพวกเราก็จะได้รับความสุขความเจริญแห่งชีวิตด้วยธรรมะด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมะได้ แ, แสดงธรรมะในการ ตอบแทนบุญคุณการมีกตัญญูกตัตเวทีเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ในวันนี้ที่พวกเราได้มาแสดงมุทิตาสการะต่อองค์หลวงปู่สีของพวกเราไม่ให้พึงเข้าใจในเหตุและผลแห่งการแสดง กตัญญูกตเวทิตาธรรมนี้กมุทิตาสการะจะมีความหมายไปในแนวตามธรรมะที่แสดงมาและก็เป็นผลประโยชน์ต่อกายว่าายจใจของเรารวมเป็นความสุขเข้าสู่ใใจิตใจอย่างแท้จริงในการแสดงธรรมะ ก็เห็นว่าสมควรแก่การเเวลาในที่สุดนี้ด้วยอํานาจแห่งพุทธานพาเวนะธรรมานพาเวนะสังฆานพาเวเนะด้วยอานาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าประทับและประสงค์และบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราท่านทางหลายได้กระทำบำเพ็ญมา จงเป็นพระเป็นกำลังหนุนนำให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบผลสำเร็จในจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันน่าสุขะพระประฏิาพานธนาสารสมบัติแม้นมาแจากป่าทนาสิ่งใดเป็นปรโรชอบประกอบเพื่อทำแล้วขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จและจงเป็นผลสำเร็จ ในที่ถุกสถานในการทุกเมือ่อเทศนาวาสาเนในที่สุทติลงแห่งพระสัทมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนี